นั่งทำธรรมดาสบายสบายไม่ต้องประนมือก็ได้ไม่เสียความเคารพนั่งสำคัญที่รักษาจิตในขณะที่ฟังราวนาทำความรู้สึกอยู่กับตัวไม่ส่งไปสถานที่อื่ น, นะสาแสงธรรมที่ท่านแสดงไปจะเข้าไปสัมผัสความรู้ของเราที่ที่อยู่กับตัวแล้วชดัดถ้อยชัดคำ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 ก็อยากคบค้าสมาคมไม่มีใครลังเกีย่เที่ยวกับต้นดอกไม้ที่มีที่สวยงามและมีกลิ่นหอมด้วยีนรูปร่างกลางตัวของเราไม่มีใครสามารถจะตกแต่งได้นอกจากกรรมที่ตกแต่งให้เป็นขึ้นมาดังเราท่านๆ น, ท, นทั้งหลายนี้เท่านั้นไม่มีอย่างอื่นแต่การตกแต่งด้วยทางศีลธรรมนี่เป็นสิ่งที่เราพอทาได้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 ดีไม่ดียังสู้สัตว์บางประเภทไม่ได้เพราะเหตุไรเพราะสัตว์นั้นคนไม่ค่อยจ้องมองอะไรมากนะแต่คนเรานี่เป็นผู้มีความรู้ความฉลาดเหนือสัตว์คนจึงจ้องมองกันถ้าดีก็ดีถ้าไม่ดีก็ตำก็สักดิ์ภูมิมนุษย์เป็นภูมิที่สูงสง่งเป็นภูมิที่ควรจกอัจแกทํา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 ด้วยเหตุว่าพระพุทธเจ้าไม่ใช่ผู้ยังโลกให้เสือ่อมพระพุทธเจ้าไม่ได้กดทวงความเจริญของโลกแม้แต่แงใดเลยตั้งแต่สัตว์พระองค์ยังรงพระเมตตาเต็มพระทยัยยิ่งมนุษย์ด้วยแล้ว ไ, ได้ประทานพระโอวาทไว้ด้วยเพื่อมนุษย์ให้ได้รับไปประพฤติธปฏิบัติจนปรากฏผลขึ้นเป็นที่พึงพอใจ ถึงขั้นพ้นทุกโดยสิ้นเชิงก็มีเช่นพระหัน์ท่านเป็นต้นถัดจากนั้นลงมาก็ได้นับผลตามกําลังความสามารถแห่งการปิื้ดปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าที่ทรง ส, สรั่งสอนไว้พระพุทธเจ้าจึงไม่ใช่เป็นผู้ทําลายโลกเป็นผู้กดทวงโลกเป็นผู้กีดกันโลกใน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 พระพุทธเจ้าทรงจรัสลือเองโดยชอบวนะิชาเจรณะสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและเจรณะความประพฤติเนะี่ยวิชาก็วิชาสามวิชาหกอะไรเต็มอยู่ในพระไตรกัมมุกุลเจ้าทั้งนั้นเนะจรณะคือทาเครื่องประพฤติพระอาการของพระองค์ทุกอย่างทุกพระอาการที่แสดงออกจะประกาศความเป็นศาสดาของพระองค์ให้โลกได้เห็นอย่าง ชัดเจนเต็มหูเต็มตาไม่มีความบกพร่องคือใครจะยึดไปประพูดปฏิบัติได้ทั้งนั้นและเป็นติดหน่าเคารพน่ารื่นใสในในพระอาการที่ทรงแสดงออกแต่ละอาการอาการจึงสมนามว่าเป็นาศาสนาเป็นาศาสนาของโลกทุกพระอาการที่เคลื่อนไหวนอกจากนั้นยังแนะนําสั่งสอนโลกเต็มพระทัยอย่างเต็มพระทยัยความสามารถความโพงอีกด้วยนั้นโลกทั้งหลายได้มีความเคารพเขา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 ตามหลักาศาสนธรรมที่สอนวันี้จะกลายเป็นมหาสมบัติขึ้นภ า, ายในจิตใจของตนโดยลำหนักนับตั้งแต่เป็นคุณสมบัติทาง จ, จิตใจคุณสมบัติในตัวของเราแล้วก็ก้าวขึ้นไปเป็นมหาสมบัติภ า, ายจในจิตใจคือสําเร็จมากสําเร็จผลจนกระทั่งถึงวิมุตตหลุดพ้นไปโดยลำหนับกลายเป็นมหาสมบัติขึ้นภ า, ายในจิตใจนี้เพราะอํานาจแห่งาศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าที่เป็นมหาสมบัติอันยิ่งใหญ่ประทานไว้ให้เป็นมรดกแก่โลกนี้เท่านั้น เป็นสิ่งสำคัญกว่าสิ่งใดหมดในบรรดาสมบัติที่มีอยู่ในโลกนี้ผู้ที่มีศาสนาเป็นเครื่องบำเพ็ญเป็นเครื่องบำรุงจิตใจเป็นเครื่องยึดเป็นเครื่องเหนียวเป็นเครื่องระลึกจึงจัดว่าเป็นผู้มีสาระคุณอันสั้คัญอยู่ภายในจิตใจชื่อว่าเป็นผู้ไม่ปราศจากกิพิ่พ์ถ้าเป็นคนก็เหมือนคนมีพ่อมีแม่มีคือมีแปรถ้าเป็นสัตว์ก็เป็นสัตว์มีเจ้าของผ้าไม่มีศาสนานั้น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 อยู่ภายในจิตใจเป็นอันว่าใจของเรามีหลักอยู่ตลอดกาลนี่คือผู้ผู้มีหลักคือมีหลักทำอยู่ภายในใจร่างกายจะสลายไปก็สลายไปแต่คุณธรรมที่มีประจําใจเพราะความไม่ลึกยึดมั่นอยู่เสมอนี้จะไม่ปราศจากจิตใจนี้เลยสาระคุณอันนี้แหละที่ยังสัตว์โลกให้เปเกิดในสถานที่ดีคติที่งามไม่ใช่สิ่งอื่นใดที่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 พอล้วนแล้วตั้งแตเป็นพระสงฆ์สาวกที่บริสุทธิ์หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะทั้งหลายกลายเป็นพระสงฆ์อันวิเศษด้วยกันเพราะฉะนั้นคําว่าพุทธังธรรมังสังทางสนากระชามที่นี้จึงเป็นคู่ควรอย่างยิ่งสําหรับใจของเราไม่ได้ตาต้อยน้อยหน้าว่าตนได้ยึดถือสารณ ะ, ะอันไม่ดีมาเป็นเครื่องพึ่งพิงคือเป็นสิ่งที่จอมปลอมอย่างนี้ไม่มีในจิตใจเพราะธรรมชาตินั้นเป็นของแท้ของจริง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 ควาชอบไปเจออะไรเข้ามาดีใจก็เสียใจก็ขึ้นมาเพราะสิ่งนั้นเป็นของไม่แน่นอนในขณะนี้ก็ทำให้ดีใจต่อไปในขณะนั้นเปลี่ยนแปลงไปทำให้เกิดความเสียใจจึงหาหลักหาเกณฑ์หาที่ไม่เนื้อไวใจไม่ได้ไม่เหมือนคุณธรรมคือศ <c oughs> าสนาธรรมที่ผู้ปฏิบัตริปรปพติปฏิบัติตามแล้วจนกลายเป็นคุณสมบัติขึ้นภารกิจใจแล้วเป็นสมบัติภายในอันนี้เป็นหลักตายตัว หลักธรรมคือความจริงนี้เคยมีมาดั้งเดิมไม่ใช่จะมีเฉพาะพระพุทธเจ้าของเรานี้เท่านั้นและโลกนี้มีมานานเท่าไหร่พระพุทธเจ้ารงมีมานานขนาดนั้นคอยผับเปลี่ยนกันมาเรื่อยเรื่อยเช่นพระพุทธเจ้าของเราองค์ปัจจุบันผ่านไปแล้วแล้วพะยะายเมตไตรก็จะมาตรัสสรุปอีกแล้วก็ถ่ายทอดแห่งธรรมคือความจริงนั้นมาโดยลาดับลดับ ไปโดยลำหนักลำหนับไม่มีที่สิุ้ดในการต่อไปก็ยังมีจะ ม, จะมีพระพุทธเจ้าสิบเท่องค์ที่เรียกว่าอะไรอนาคาตะของพระพุทธเจ้าสิบเท่องค์นั่นก็จะสืบต่อกันไปเรื่อยๆและยังจะมีต่อไปเรื่อยๆเช่นนี้นี่คือความจริงค่อยเปลี่ยนกันไปเรื่อยๆเช่นนี้องค์ใดที่มาตรัดสรุปจัดสรุปแต่ทำของจริงทำของจริงนี้ลบไม่ศูนย์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 ต้องมีวาสนาบมควรที่จะได้รับอัดนับธรรมถึงได้รับในนับถือพุทธศาสนาไา้ถึงได้นับถือคนที่เขาไม่นับถือมีมากมายกาวกองเห็นของจริงเป็นของปลอมเห็นของปลอมเป็นของจริงนี้มีมากที่จะเห็นความของจริงเป็นของจริงเห็นของปลอมเป็นของปลอมนี้มีจํานวนน้อยเพราะสายตามนุษย์ออกจากใจใจถ้ามืดมนตกลงตาการเสียจริงๆแล้ว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 แปลว่าอะไรที่เป็นด้านวัตถุจะแปรอุจภาพไปโดยลําดับเป็นแต่เพียงว่าช้าหรือเร็วต่างกันเท่านั้นความแปรแปรยอยู่ตลอดเวลานี่พระพุทธเจ้าทรงสอนอย่างนี้เป็นความจริงหรือไม่เราดูด้วยตาก็เห็นสิ่งที่ไม่มีก็คือว่าสิ่งที่ธรรมชาติที่จะมาต่อสู้ความอนิจจังนี้ไม่ให้แปร ป, ปวนไปได้อย่างนี้ไม่มีนั่นต้องเป็นอนิจจัง อย่างตายตัวทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรากฏอยู่ในโลกโดยเป็นความสมมติคือสิ่งที่เป็นสมมติแล้วต้องเป็นไปตามสมมุติอยู่ตลอดไปคืออนิจจังทุกขังอนตานนี่เป็นกฎตายตัวของโลกพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้อย่างนี้ใครจะคัดค้านต้านทานเพียงไรก็ตามผู้คัดค้านต้านทานก็คือตัวอนิจจังทุกขังอนตาอยู่โดยดีจะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้เนี่ยพระพุทธเจ้าสอนสิ่งใดเป็นความจริงทางนั้นที่สอนเข้ามาภายในจิตใจ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 ถ้าไม่มีทำเป็นเครื่องบังคับหรือเป็นมีทำเป็นเครื่องอบรมให้จิตมีความสงบได้จิตจะหาความสงบไม่ได้มุนตัวเป็นเกลียวอยู่ทั้งวันทั้งคืนส่วนมากก็มุนไปทางที่จะผูกมัดดัดตึงตัวเองให้เกิดความเดืด้อนวุ่นวายเหมือนกับคนก่อไฟนะั้นรู้จักก่อแต่จะดับไฟไม่รู้จักวิธีดับนั่นก็ลุกขึ้นด้วยีท่านสอนให้ภาวนาก็คือให้รู้วิถีของจิตเช่นจะกํา ห, กหนดอนาปานาัติกําหนดลมหายใจเข้าออก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 ปรากฏเป็นความสงบขึ้นมาความวุ่นวายที่เคยเป็นภายใจิตก็ระงับดับลงไปกลายเป็นความสงบแล้วผลคือความสุขก็ปรากฏขึ้นมาภายในจิตนี่แหละคือผลแห่งการทดสอบจิตการรัาากษาจิตคือความสุขแต่ปรากฏขึ้นมามากน้อยก็ทราบภายในจิตใจด้วยอํานาจแห่งกําลังความสามารถของตนที่ทำํำหากมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดมากและมีความชำนิชํานาญในการ รักษาจิตจิตก็ยิ่งทรงตัวได้นานด้วยความสงบสุขจิตที่มีความสุขก็พักตัวเองควรตัวเองด้วยการคิดการปรุงในแง่ต่างๆไม่มีสิ้นสุดยุดติลงได้จิตจะหาความสงบได้อย่างไรเมื่อถูกกวนอยู่เสมอเช่นน้ําก็ต้องขุนเป็นตม้มเป็นโคลนไปได้พอถูกกวนจิตก็ต้องขุนโม่ จิตที่กุญมัวหาความสุขที่ไหนได้ไม่มีโลกทั้งโลกมันโลกทั้งโลกมันร้อนไปหมดถ้าจิตได้ร้อนเสียดงเดียวเท่านั้นเพราจิตมีความรู้สึกทั่วโลกกระแานคิดไปไหนได้หมดไม่นิยมว่าใกลว่าไกลเวล่ำเวลานั้นเวลานี้ไม่มีคิดขณะเดียวเท่านั้นครอบโลกกาะแทะนี่แหละคือความปรงุงเพื่อรบกวนหรือรบหรือกวนตัวเองจึงต้องอาศัยการอบรมระมัด ร, ระวังจิตให้มีความสงบ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 นั่นก็เป็นมีมูติดูดพ้นลงก็ ไ, ได้นี่แหลคือทําประเส ร, ริฐประเสริฐที่ใจที่ดูดพ้นจากสิ่งที่กดทวงทั้งหลายกลายมาเป็นธรรมชาติของตอนเองโดยไม่ต้องอาศัยพึ่งทิ้งอะไรทั้งหมดนี่และพระพุทธเจ้าท่านเป็นอย่างนี้ท่านประพฤติปฏิบัติทำทำปรากฏเป็นผลขึ้นมาเช่นนี้สาวกอหรหันอรหันท่านก็ปฏิบัติตามหลักธรรมพระพุทธเจ้าและเป็นผู้ประเสริฐขึ้นมาด้วยเหตุดังกล่าวนี้ชาวพูดเราประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมพระพุทธเจ้าก็ได้รับความสงบสุขเย็นใจมีเหตุมีผลในการประพฤติการกระทําการพูดดกกาาการรจคปุงงแตงต่่ๆ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 โดยลำดับใจนิแหเป็นมหาสมบัติเมื่อมีสิ่งใดจะมีคุณค่ามากยิ่งกว่าใจที่รักษาเรียบร้อยแล้วจึงขอุติธรรมเท่านี้